ป้าถามทุกวันเลยนะเนี่ยก็ดีฉันเป็นห่วงคุณหญิงเนี่ยรู้แล้วผมแค่แสาร์ได้เฉยๆฮะแล้วอาการของคุณหญิงน่ยดีขึ้นหรือยังหมอให้กลับบ้านได้เมื่อไหร่คะคุณยิ่งถอนหายใจอย่างนั้นก็หมายความว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละป้าไม่มีทางหายจริงๆหรือคะคุณยิ่งวันระยะสุดท้ายแล้วนะป้าหมอทิวดาก็คงรักษาไม่ได้แล้วละมั้งขนาดนั้นเลยหรือคะที่พูดนะฮะ อะไรหมายความว่าผมไม่เสียใจนะผมเสียใจแต่ว่าผมต้องทําใจให้ได้ตั้งสติให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะบัเชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่กําลังจะเกิดขึ้นตามมาในไม่ช้านี้หมายความว่คุณหญิงกำลังจะตายแล้วคะหมอก็บอกให้ทำใจตั้งแต่แรกแล้วนี่เวลาก็ผ่านไปไปอาทิตย์แล้วหมอก็พยายามยืดลมหายใจเอาไว้ครับโทษคุณหญิง ทำไมถึงช่างน่าสงสารอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้่ต้องร้องห้หรอกค่ะป้าก็ดิฉันเสียใจนี่ค่ะทำใจเธอป้าคุณยิ่งจะให้ดิฉันทำใจให้ได้ภายในเวลาอันสั้นนั่นน่ะดิฉันคงจะทำใจไม่ได้หรอกค่ะดิฉันอยู่รับใช้คุณหญิงมานานแสนนานแล้วนะคะคุณยิ่งผมรู้ดีครับป้าแต่เธอยังไงอ่ะ ป า, าต้องตั้งสติแล้วทำใจให้ได้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นป้าจะต้องทุกข์หนักเข้าใจไหมล่ะฮะเข้าใจค่ะดีมากงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะฮะป้าค่ะเดี๋ยวใช้นางแจว๋วยกเครื่องดืง่มึ้นนมให้นะคะ อ, อย่าลืมของท่านด้วยล่ะค่ะ เองเหรอจ้าอาบน้ำแล้วหรือไงเรียบร้อยจ้าแหมหอพักของมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าอยู่ชะมัดเลยนะเธอเป็นอะไรไปไอ่ะฮะเปล่านี่ก็นั่นน่ะสิอยู่ดีๆก็มาชื่นชมบรรยากาศหอพักนักศึกษาซะา <c oughs> อ, อย่างนั้นแหละปลื้มใจที่โดนหนุ่มนักศึกษาจีบใช่ไหมล่ะบ้าคือไม่จริงล่ะอีดําอย่างเนี้ยมีหนุ่มคนไหนหลงเข้ามาให้แอบเพ้อแอบคิดถึงล่ะไม่มีหรอกมันก็ไม่แน่หรอกไม่แน่อะไรยะ แน่ยิ่งกว่าแน่อีกแน่มันก็ไม่อยู่ไม่น้อยนะจ๊ะที่หมู่พมอนเนี่ยชอบดมดอ ม, มเกสรจากดอกไม้สีดำอะบ้านะมีด้วยเหรอดอกสีดำน่ะก็เปรียบเทียบไม่เล่าถ้าเธอเปรียบพวกหนุ่มๆเป็นหมู่พมอนแล้วก็แล้วอีดำอย่างฉันเธอจะเปรียบเป็นดอกอะไรดีล่ะมีมะดอกอะไรเอ่ยสีดำ ดำดูดี <c oughs> ดำดูดี <c oughs> สมมติว่าเป็นกุหลาบดําก็แล้วกั น, กนเพราะกุหลาบเนี่ยนะเปรียบเสมือนเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของผู้หญิงอยู่แล้วจริงเหรอจริงสิจ๊ะฉันไม่ค่อยเชื่อนักหรอกที่คนเขาบอกว่าดอกกุหลาบเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของผู้หญิงใครๆก็เปรียบเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอเขาเปรียบดอกกุหลาบเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความรักต่างหากล่ะอ้าวจริงๆนะเธ อ, อเอาเถอะแล้วพูดได้แล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยอ้าว ก็คุยเพื่อคลายเครียดไงล่ะฉันเห็นเธอหน้าตาเครียดจังเลยรู้ตัวหรือเปล่า <c oughs> ฉันเครียดเรื่องอะไรอะฮะไม่ต้องเลยเธอไม่ต้องแกล้งจำเป็นไม่รู้ตัวหน่อยเลยจะไม่ได้เครียดจริงๆนะแต่ฉันไม่เชื่อเพราะสีหน้าของเธอมันฟ้องเห็นชัดๆไปกันใหญ่ละสารภาพมาซะดีๆ <c oughs> จะให้ฉันสารภาพอะไรละจ๊ะ <c oughs> เธอกําลังคิดถึงใครอยู่กันแน่ฮะไม่ต้องหัวเราะเพื่อกลบเกลื่อนความจริ ง, <c oughs> รงหรอกยายฝนเอา้าพูดมาสิ เธอเครียดใครกันแน่อาแล้วละไมโกหกละนั่นไงแสดงว่าเธอเครียดเพราะใครคนหนึ่งจริงๆด้วยยอมรับมาว่าเป็นอย่างนั้นใครหรอก็หนุ่มคนนั้นน่ะสิคนไหนคนที่เธอบอกว่าเขาเป็นคนที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยควรเอาอย่างไงละ่ะนายยิ่งศักใช่แล้วไงนี่อย่าบอกนะว่าเธอแอบชอบเขาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยแล้วมันยังไงล่ะฮะ ฉันไปตรวจสอบมาแล้วล่ะเขานามสกุลดีรศักแล้วไงนามสกุลของเขามีอะไรน่าสนใจเหรอเขาก็คือพี่ยิ่งที่ฉันเคยรู้จักตอนเด็กๆนั่นเองสิว่าไงนะคุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัย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 t h o n d i t I o n แต่วันนี้มีคนเข้ามาชีวิตก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเน็บ mm ห -hmm. mm -hmm. mm -hmm. นั้นหายไป mm -hmm. อบอุ่นใจ mm -hmm. ก็เพราะเธอเธอคือคนที่ฉันต้องการเธอคือ All right today te ความ count มาทั ที่คนหามานานที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใดซึมซึมๆพ้พ้ลำพังนั่งอยู่ที่ตรงนี้รอคอยไม่รู้วันใดจะพ้นไปสักที มองไปที่ไหนไม่พบอะไรที่ดีที่จะทำให้ใจมีความหวังอยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักว่าใจของฉันดูบ้างให้ได้รู้ ที่คนหามานานที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใด สิ่งที่ค ใครบนฟ้าไว้พอในฉันมีความสุขในบางครั้งที่ฉันเคยทุกข์แต่ฉันก็พอใจในทุกสิ่งเพราะตั้งแต่ฉันได้พบเธอทุกสิ่งที่ฝันนั้นก็กลายเป็นจริง เพียงเธอเท่านั้นที่ตัวฉันจะขอแค่เพียงเธอที่ทำให้ฉันรู้ว่า into call. คุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย Nation Entertainment นี่ฝนเรื่องจริงเหรอเธอก็จริงสิจะ๊ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอก็เขาหายไปตอนที่เขาเรียนอยู่ป .6 ตอนนั้นเขาจบป .6 แล้วล่ะ เรียมจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเรียนต่อมธัธยมโดยมีครูใหญ่โรงเรียนเป็นคนสนับสนุนทางโรงเรียนก็มีศาสนาคริสต์เป็นผู้การอุปถรัรมม์อยู่อ๋อแล้วยังไงอีกล่ะแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องของเขาอีกเลยแม่ของเขาตายเพราะคิดถึงลูกไม่รู้จะตามหาลูกได้ยังไงดอมใจตายนเนอะหรอคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วพ่อของเขาล่ะพ่องเขายังอยู่แต่ว่าเปลี่ยนไปเยอะเลย ผิดไปเป็นคนละคนเลยนะคงจะอดคิดถึงลูกไม่ได้พี่ยิ่งน่ะเป็นที่รักของพ่อแม่เป็นที่รักของคุณครูเขาเป็นเด็กดีมากๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอถ้าเขาคือพี่ยิ่งของเธอจริงแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ในครอบครัวพลตำรวจเอกชัยพิชัยฤทธนรงได้ไงฉันเอง ก, ก็ไม่รู้เหมือนกันเธอต้องถามเจ้าตัวแล้วล่ะแน่นอนฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ทำไมเขาถึงทอดทิ้งครอบครัวโดยไม่ยอมกลับไปหาพ่อแม่อีกเลยมันจะต้องมีสาเหตุสินะใช่มันจะต้องมีเหตุที่สำคัญมากๆด้วยไม่อย่างนั้นน่ะคงจะไม่สามารถทำให้เขาเป็นแบบนี้ไปได้หรอกเอรู้ว่าหรือว่าอะไรหรอหรือว่าเขาเกิดหลงแสงสีเสียงจนลืมกำพืชของตัวเองไปซะสนิทใจเธอว่ามันเป็นไปได้ไหมฮะอืมไม่รู้สิยังไงก็ต้องฟังจากปากของเขาก่อนดี แล้วก็อย่าลืมบอกฉันด้วยนะจ้าป้าออกไปเดินเล่นกันเถอะอยากกินขนมยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> กินขนมเยอะๆระวังค่ะเธอระวังอะไรหรอโรคอว้วนจะถามหานีสิจ๊ายากจ้าทาไมถึงคิดว่ายากล่ะเพราะว่าฉันวิ่งออกกําลังกายทุกเช้าแล้วฉันก็กินอย่างมีสติรับรองว่าไม่อ้วนอย่างแน่นอนก็ดีที่ทําได้อย่างนั้นแล้วเธอละฉันทําไมเหรอเมื่อไหร่จะยอมลุกไปวิ่งกับฉันทุกเช้าสักทีล่ะฮะ ก็ลุกไปวิ่งวันเว้นวันแล้วนี่นาแหมวิ่งได้ทุกเช้าก็จะดีที่สุดเลยนะจ๊ะจะพยายามนะจ๊ะแต่แมเจ้าเช้าเนี่ยนะน่านอนชะมัดเลยเธอรู้มากขี้เกียจออกกำลังกายผลที่ตามมามันเสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะมากๆนะรู้ไหมรู้จ้ะเอาละฉันรปากนะจะจะออกกำลังกับเธอทุกเช้าเลยโอเคไหมโอเคจ้ะทีนี้ละ่ะเธอสวยอยู่แล้วก็จะสวยมากกว่าเกาเชียวละฝน <c oughs> พร้อมกับของว่างมาให้คุณยิ่งค่ะเขอบใจมากวางไปตัวของฉัก่อนนะค่ะเอาสองชุดเลยเหรอจะกินไม่หมดก็แจ๋วอีกชุดหนึ่งเอาไปให้ท่านค่ะ อ, อ๋องั้นเดี๋ยวเชจเอาไปให้เองนะจะเอาอย่างนั้นเหรอคะอืมวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวเชจีเข้าไปหาท่านด้วยก็ได้ค่ะงั้นแจ๋วลงไปทํากับข้าวต่อก่อนนะคะอืมเออคุณยิ่งค่ะ ห, หนังสือหนาๆนเล่มนั้นน่ะมีเป็นภาษาไทยไหมคะอ๋อกะพีเบเบอรน่นเหรอ ใช่ไหมคะใช่มีเป็นภาษาไทยหรือเปล่าคะเจ้าอยากอ่านเลยจ๊ะค่ะอยากรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรในหนังสือเล่มนั้ น, นะคะ่ะได้สิเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันหยิบให้นะอ่ะนี่จ้ะฉันให้เธออย่ากเก็บใส่ลิ้นชักสะละเปิดอ่านทุกวันก่อนนอนก็ได้เวลานิดเวลาหน่อยแล้วทำตามคำสอน ทำแต่สิ่งดีๆแล้วชีวิตของแจ๋ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะขอบคุณค่ะแหมคุณยิ่งเนี่ยใจดีเป็นที่หนึ่งเลยค่ะ เองนะคะท่านขาจ้ามาหาดาหน่อยสิคะ้ะดาเด้งเหงาเหงาคะ่ะฉันไปหาเธอตอนนี้ไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นหูวอาการของคุณหญิงและฉันก็ต้องรับโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลเป็นระยะระยะด้วยเออแล้วนี่เธอได้เบอร์บ้านฉันจากใครืึชื่อท่านดังอย่างนี้ใครๆก็รู้จักนั่นแหละค่ะไม่สมควรโทรมาตอนนี้นะนี่ถ้าคุณหญิงอยู่บ้านแล้วเป็นคนรับสาย มันจะเกิดอะไรขึ้นหรอดานรู้นี่คะว่าคุณหญิงป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะดานรู้ว่าอะไรควรไม่วควรค่ะดีงั้นแค่นี้นะเพราะฉันกาลังรอโทรศัพท์ตัดทางโรงพยาบาลอยู่คิดถึงจังเลยคะ่ะเหมือนกันจ้าบายบานนะจ๊ะค่ะท่านอา้าวยิ่งเข้ามาในห้องนอนฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เออขอโทษครับพี่ถือวิสาเข้ามาเราได้เข้าประตูห้องก่อนนะฮะมันเป็นไรหรอกเอเดี๋ยวนะ ขอรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลผมพลตำรวจเอกชัยพูดครับเออขอโทษที่โทรมาครับจะรเรนท่านทราบว่าตอนนี้คุณหญิงได้เส้นลมไปแล้วครับคุณหญิงตายแล้วเหรอคุณหญิงแม่ไม่ไม่จริงคุณหญิงแม่ยังไม่ตาย